ปบันี้จะแสดงธรรมเพื่อเป็นอุกปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของชาติความเกิดที่เป็นผลมาจากตัณหาและอุปาทานตามสายคนของปัจจัยาการคือสิ่งที่เป็นปัจจัยของการละกันอาศัยการละกันเกิดขึ้นนั้น เมื่อกล่าวทั้งคำวระชาติจะทรงอาธาิบายเป็นรูปภาษาบาลีว่าชาติความเกิดการเกิดพร้อมการได้อา ย, อายตนะความปรากฏแห่งขันของสัตว์นั้นๆในหมู่สัตว์นั้นๆอันใดดุก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความเกิด วันความเกิดก็คือความเกิดในกำเนิดทั้งสีประการเป็นกำเนิดใดกำเนิดหนึ่งซึ่งในชีวิตของบุคคลนั้นที่หมุนวนอยู่ในสังสารวัตรกว่าจะเคยเกิดมาแล้วในกำเนิดทั้งสี่ประการแต่คงจะไม่ใช่เพียงครั้งเดียวได้แก่อันไัยชาเกิดในขันได้แก่ชลาภูชชเกิดในขัน ได้แก่มนุษย์และสัตว์บางประเภทอันตรชะก็เกิดจากฟองไข่ก่อนต่อมาก็ฟักออกเป็นตัวบางเรียงบางครั้งเราเรียกว่าทวิชะคือเกิดสองครั้งได้แก่เกิดเป็นไข่ครั้งหนึ่งแล้วก็ฟักออกมาจากไข่ครั้งหนึ่งจนถึงบางครั้งบางคราวเรานําไปเรียกพวกพราหม์ว่าทวิชชาะ คือเกิดจากคารบรรดาครั้งหนึ่งเกิดด้วยรูปแบบพิติกรรมของความเป็นพรามอีกครั้งหนึ่งสังเสตชาเกิดด้วยสิ่งที่โสกรปรกทั้งหลายแล้วก็พวกเชื้อไวรัสทั้งหลายเชื้อโรคทั้งหลายอประการสุดท้ายก็คือโอปปาติกะเกิดโดยผุดขึ้นซึ่งเป็นกําเนิดของกลุ่มอมนุษย์ทั้งหลาย ยกเว้นมนุษย์กษษยับสัตว์ทีราชาติเหล่านั้นจะเกิดโดยออปปาอธิกะรมกำเนิดทั้งสี่ประการนี้ส่งสอนในแง่ของความเป็นผลแห่งตรนาและอุปาทานสำหรับบุคคลที่มียานปัญญาพิจารณาเย็นโทษของสังสารทุก ซึ่งเป็นกระบวนการที่อาศัยกันในการเกิดขึ้นจะได้มองเห็นโทษของตัณหาและอุปาทานแล้วก็เพียรพยายามลดละที่ส่วนเหตุเ ห, เหล่านั้นเมื่อคำสอนในแนวลดละในตอนต้นๆไม่ได้มองไปที่ตัวของความเกิดจริงๆแต่มองไปที่ผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากความเกิด ต่ก่ความแก่ความเจ็บความตายการพลาดพราดสูญเสียต่างๆหรือความทุกข์ที่จอนเข้ามาอย่างที่สวดสันสนกันความโศกความรำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแคนใจการต้องการอะไรแล้วไม่ได้ตามต้องการหรือสิ่งที่ต้องการเกิดเปลี่ยนแปลงไปการต้องอยู่ร่วมกับคนหรือสัตว์ สิ่งของที่เราไม่ชอบและการประทรากจากคนสัตว์สิ่งของที่เราชอบจนเกิดอาการอย่างหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าอุปาญาตคือความคับแค้นใจหรือความหยิวแข้งใจตอนนี้จะส่งสอนไปที่ตัวเหตุมันพปเราสวดธรรมะบทนี้กันวสังกิเตนะปัญจุปาทานกันธาทุกขา เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันตั้งห้าเป็นความทุกข์เพราะนัก็จะสอนในรูปของปริญญาขิตคือขิตที่บุคคลควรกำหนดรู้ถึงสภาพความจริงของชีวิตที่สืบเนื่องมาจากความเกิด ในกรณีที่เรายังไม่สามารถจะไปตัดต้นเหตุของความเกิดได้ก็มาลดต้นเหตุของความทุกข์ในชีวิตประจำวันลงไปเป็นยากรีก็คือกิจได้แก่การกำหนดรู้ถึงสภาวะความจริงของชีวิตด้วยสรรพสิ่งทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าจะสอดใคร อย่างในกรณีที่ทั่วทั่วไปแก่คนทั้งหลายคือปรากฏอยู่ในที่ต่งตางๆเป็นนันมากแล้วก็เป็นสูตรเดียวกันนั่นคือพิจารณาในลักษณะรวบพิจารณาไปเลยได้แก่มองถึงชีวิตของตนเองซึ่งผ่านการเกิดมาแล้วก็ไหลเข้าสู่กระแสของความทุกข์ได้แก่แก่เจ็บตายท่ามกลางความเกิด จนถึงความตายนั้นมีปัญหาสารพัดเกิดขึ้นมีความสุขความร่ไรวําพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจเป็นต้นนังกล่าวและยิ่งไปกว่านั้นยังประสบกับสภาวะซึ่งสืบเลื่อกมาจากความเกิดเป็นสิ่งที่ติดตัวมาส่วนหนึ่งแล้วก็สัมผัสจากบรรยากาศภายนอกอีกส่วนหนึ่ง นั่นก็คือหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนแล้วก็มาสรุปที่เกิดแก่ตายเรล่านี้ถือว่าเป็นความทุกข์ตามสภาพประเภทหนึ่งซึ่งสรัพ์ชีวิตที่เกิดมาแล้วสิ่งเห่ น, นี้ก็ติดเรามาตั้งแต่เกิดและพร้อมที่จะแสดงอาการออกมาเมืนการสอนในแนวป ร, ริญญากิจ เศรษฐการกําหนดรู้นั้นจะสอนไว้สระดับระดับแรกก็คือการศึกษาเรียนรู้ถึงความจริงเหล่านี้โดยการฟังก็ตามโดยการอ่านก็ตามโดยการสนทนาก็ตามต้องอ่านไปบ่อยฟังไปบ่อยสนทนากันบ่อยจนทําใจให้ยอมรับความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาเหล่านี้ได้ ตนนี้ทระช า, าชนทั้งหลายจะเห็นว่าในแง่ของปริยัติคือการศึกษาเรียนรู้นั้นไม่คว่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไรเพราะอะไรเพราะเราก็เห็ น, เ ห, นเห็นกันอยู่และบางคนสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในสภาวธรรมเหล่านี้ไปชี้แจงอธิบายบุคคลอื่นเห็นตามคล้อยตามได้แต่ก็อย่างว่านะ่ะแหละพอถึงจุดหนึ่งมันก็เหมือนกับผงเข้าตาตัวเองคือเอาออกไม่ได้ คือเมื่อคราวที่ความแก่ความเจ็บความตายการพลาดพลาดสูญเสียได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองด้วยสายจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นด้วยแรงปลักดานของอุ ต, ตานหาและอุ ป, ปาทานดนั้งกครับความรู้สึกของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นความโศก ค, ความเสียใจที่สิ่งซึ่งเราไม่ต้องการนั้นกําลังเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นหนุนแรง การปฏิเสธคือแสดงความไม่ต้องการทั้งสิ่งเหล่านี้เป็นการฝืนกฎของธรรมชาติเพราะนที่จริงนั่นคือธรรมดาของสิ่งที่เกิดมาจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและต้องประสบกับการพลัดพรากสูญเสียแต่ลองสังเกต ด, ดูว่าใจลึกๆเราปฏิเสธเราทำใจยอมรับไม่ได้ แม้จะสวดชราตมุภิชรังอนติโตกันมามากๆแล้วก็ตามก็มีคนเป็นจานวนมากที่ทําใจไม่ได้แต่แม้แต่ในงานศพเองคาถาที่พระใช้ชักบังสกุลเป็นคาถาที่แสดงสัจธรรมอย่างสูงแม้มีข้อความวิ่งสองบรรทัดก็ตาม ในคราวรูุ้ทธเจ้าเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานเองพระเท้าสกะเทวราชก็กล่าวคาถาสองบทสองมัททัสนี้เป็นการชี้ถึงความจริงตามสภาวะและการปฏิบัติตนให้ไม่มีปัญหาเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับสภาวะเหล่านั้นท่านบอกว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปาดวยะธรรมิโนโมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปชิ ต, ตาวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วจงดับไปเกิดขึ้นแล้วจงดับไปเตสังบูปสโมดสุขหการเข้าไปสงบระงับในสัตว์แต่สังขารทั้งหลายจะได้ก็จะเกิดความสุขพราะฉะนั้งสังเกตว่าในตอนแรกในบรรทัดแรกเป็นการแสดงถึงความจริงของชีวิต ที่เรใช้คำสั้นๆว่าสังขารทั้งหลายไม่เชื่องหนอในช่วงยาวๆก็เกิดแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายสิ่งที่อยู่กับเราหรือแม้แต่วัยวะหรือประสาทสัมผัสต่างๆของเราจะมีการแปรผันไปเราต้องพัดพรากจากสิ่งที่สวยงามตรงนั้นตาซึ่งเคยมีประกายก็เริ่มเป็นความหมัวมองอะไรไม่ก็ชัดเจน ผม ซ, ซึ่งเคยสลวยสวยงามก็กลับเปลี่ยนแปลงแปรผันไปผิวหนังซึ่งเคยเป็นแปรงมีน้ำมีนวลก็เริ่มแสดงการเขียวจนประจกออกมาโดยลำดับนี่ก็เป็นอาการของความไม่เที่ยงซึ่งมองเห็นทั้งช่วงยาวๆแล้วก็ช่วงสั้นๆแต่แม้แต่ในขนาดจิตเพราะเมื่อมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาแม้เราใช้คําเป็นคําเดียวคือเกิดขึ้นแล้วย่นดับไปเกิดขึ้นแล้วย่นดับไปอุปจิตตวานิรุจจิเกิดดับเกิดดับคือเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าถ้าเราเห็นความจริงในสองคำนี้ได้เราใช้ได้ทุกกรณี ในกรณีของสภาวธรรมทั้งหลายเราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นลาบยศสนเสริมสุข ร, รือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกซึ่งเป็นโล ก, กธรรมพรสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นความรู้เท่าทันว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็จะมาสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพรสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ไม่ชื่นชมยินดีจนเกินไปแล้วพอแตกทํำลายไปใจก็เจียมไปแล้ว วัใจจะไม่ฟูขึ้นพุบลงจนเกินเท็จจะไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงๆซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่แสดงว่าบัณฑิตย่อไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงๆแสดงการฟูขึ้นของจิตลิงโลดยินดีชื่นชมจนถึงเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่นั้นก็ในกรณีที่ได้สิ่งซึ่งเราต้องการปรารถนาแต่บางครั้งก็เศร้าสร้อย ทุกโศกรกระหล่อนจิตใจเพื่อเจอกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาแต่ถ้าเรามองได้ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในส่วนที่ดีก็ต้องดับไปในส่วนที่ไม่ดีก็ต้องดับไปส่วนที่เราต้องการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปส่วนที่เราไม่ต้องการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทีนี้มามองถึงกลุ่มของความโกรธความไม่พอใจความริษยาฆ่าต่างๆเป็นต้น แตเรามองในมุมนั้นแหละเราใช้คําเดียวว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แกก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมันก็เกิดได้ก็ดับไปได้พระธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นเองเราก็พร้อมที่จะลดละบันเทาความรู้สึกรุนแรงที่เกิดขึ้นจากอานาจของกิเลสเหล่านั้น หรือแม้แต่นคนที่โกรธหรือทำให้เราโกรธหรือตัวผู้โกรธเองเขาก็ต้องดับไปตัวความโกรธเขาเองก็ดับไปตัวเขาเองก็ต้องดับไปความคิดเอื้อมไปจนถึงก็เขียนฆ่าทาลายล้างต่อสู้รายประหานกันมันก็ไม่ควรจะเป็นอะไรเพราะชีวิตแต่และชีวิตนั้นมีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา คือเราจะฆ่าหรือไม่ฆ่าเขาก็ตายเราจะประทุษร้ายหรือไม่ประทุษร้ายเขาก็ประสบความทุกข์เราจะนึกช่างไอเข้าประสบความพิบัติเดือดร้อนหรือไม่ก็ตามเขาก็ต้องประสบความพิบัติเพราะนั้นคือธรรมดาของชีวิตเรทําให้จิตใจของบุคคลมีความสงบ ไม่ไปจองล้างจองผ่านไม่ไปโต้ตอบทำลายล้างอะไรกันทีนี้ประส่วนของกุศลธรรมก็เกิดขึ้นเช่นพลความดีงามเกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นความยึเกเยินเกิดขึ้นความสว่างภายในใจปรากฏขึ้นเราใชา้คําเดียวมกั น, กนอุปชิตตวานิรุสชนติคือขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทําใหเา้เราไม่มัวหมองประมาทคืออย่าไป เลือเ่เพลิเพลินว่าออกุศลมันมีแล้วมันเป็นอยู่แล้วไม่เป็นไรก็สบายได้แล้วแต่จะพยา ย, ย, า, ยามระมัดระวังรักษากุศลธรรมเ่าดันเอาไว้เพราะนี่ลสอนโดยขณะที่พระเจ้าทรงสอนให้ดูจิตตามแนวของจิตตาปัสนาสติปัฏฐานนิยามใดที่จิตดำเนินไปสู่ครองของกุศล ทรงสอนให้บุคคลประคับประคองจิตไปในขณะนั้นๆอย่าให้ตกไปอย่าให้เสื่อมไปเร็วนี่แสดงได้ว่าด้วยอาศัยข้อความเพียงสองคำเกิดขึ้นแล้วระดับไปเกิดขึ้นและดับไปบุคคลก็จะใช้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับธรรมะทั้งสี่กลุ่มคือกลุ่มของอริยสัจทั้งสี่ประการได้ทั้ง4ี่กลุ่ม ในชั้นของการกําหนดรู้ความจริงนั้นก็ทรงสอนในรูปของการไต่อันดับไปเรื่อยๆในตอนแรกก็คือการการศึกษาการเรียนรู้ตามประสาทสัมผัสอย่างกล่าวต่อไปก็นํามาคิดคิดจนเสร็มสัมพันธ์กับจิตหมายความว่าจะเห็นภูเขาต้นไม้ใบไม้อาหารหรืออะไรก็ตาม ที่แกแปลผันไปแก่ดับไปเรามีปัญญารู้เท่าทันทุกขณะที่สัมผัสอารมณ์รสนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไมใ่ใจไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในแง่ไดแง่หนึ่งมากเกิดไปก็พิจารณาไปเรื่อยๆจะเรียกว่าตีรณนปริญญายกสิ่งเหล่านั้นจะเป็นนามก็าตามจะเป็นรูปก็าตาม คือพิจรณามองอยู่จุดนี้ยจุดเดียวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจนมาถึงจุดหนึ่งปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเพ่งปีนิดพิจนาก็จะประจักษ์แจ้งแก่ใจมันก็จะมีการอย่างน้อยก็ลดละความยึดถือด้วยอำนาจด้วยความคิดที่เรียกว่าเป็นอาหังการมามังการ อ้างการก็คือเราเป็นจากนั้นจากนี้อย่างน้นมันก็เกิดขึ้นมาจากภาวะหรือพบอย่างที่ว่าแล้ว จ, จิตมีการปรุงคิดมีการคิดปรุงในการกาหนดหมายจนเกิดสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้นเอ้จริงจริงจังๆลักษณะความคิดแนวนี้ท่านสาธุชนจะเห็นเลยไปได้ว่า มันเป็นวิปลาสคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความจริงเพราะไม่มีใครเป็นอะไรอย่างจริงจรงแงแสักอย่างเป็นเรื่องสมมติบัญญัติเอาทา่นั่นเองความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นข้าราชการเป็นพระเป็นราษฎาคณะเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูคือไม่จะธรรมดาอะไรแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยลนั้นเอง แกก็เข้าในกฎเดิมก็คือว่าเกิดขึ้นระดับไปแล้ว ม, มังการคือความรู้สึกเป็นของเราข้อนี้จะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าความเป็นของเราในหลายๆสิ่งบ้านของเรารถของเราเรือนของเราสามีพัญญาของเราลูกของเราสิ่งของของเราเป็นต้นที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่มาในภายหลัง ตอนเราเกิดมานั้นไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจของตันหาที่คอยควนทะยานอยากเพื่อได้มาทั้งสิ่งเหล่านั้นไว้ในครอบครองตัวเองพอครอบครองไปแล้วด้วยความเห็นที่เป็ น, ปนวิปลาสคือไปมองในแนวเดียวว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องอยู่กับเราตลอดไปเรื่องของเงาเรากระนึนมาแต่ต้องไม่ได้มาเอาไปไม่ได้แล้วก็เปลี่นจนถึงกับมีความคิดว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ อะไรที่อยู่ลึกๆไปเบื้องหลังความคิดเหล่านี้สิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสัสธรทิจฉิคือความเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนพอเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองมันก็ไม่ตรงความจริงจึงเป็นความเห็นที่เป็นวิปลาสจากความเห็นที่เป็นวิปลาสนั่นเองก็ก็ให้เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้หรือเป็นตัวตนของเรา แล่จากจุดนี้ก็จะพบว่ายังมีกิเลสอย่างอื่นอีกเกิดขึ้นอีกเปน็นอันมากเกนรู้สึกว่ารกเป็นมันจะเกิดเป็นมานะที่กระจายตัวเองออกไปหลายอย่างคือจะไปเกิดแข่งดีกับคนที่เรารู้สึกว่าเป็นใกล้เคียงกับเราแต่จะเกิดริษยาคนที่เรารู้สึกมันเป็นเหนือกว่าเรา แล้วก็จะไปรู้สึกดูหมินคนที่เรารู้สึกว่าเป็นเล็กกว่าเราหรือเป็นน้อยกว่าเราหรือต่ำกว่าเราแต่ในขณะเดียวกันตันหานก็เกิดขึ้นอีกเพราะอะไรเพราะเรายังมีความรู้สึกว่าคนซึ่งเป็นเหนือกว่าเราเราก็ต้องการเป็นในตำแหน่งเหล่านั้นแล้วก็เป็นให้เหนือกว่าความเป็นของเขาเหล่านั้น ความคิดลักษณะแข่งดีก็เกิดขึ้นจนถึงบางครั้งบางคราวขาดเหตุผลขาดสติปัญญาเป็นเครื่องโสดสองปินิดที่เจ็ตายกลัวว่าตัวเองจะเป็นชา้าลงไปก็เลยไปทําลายคนที่เราไม่ชอบคือคนที่เราต้องการความเป็นของเขาคือไปทําลายบุคคลนั้นคนนี้เพื่อสังเกตตัวอย่างพระเทวทัตกับพระเจ้าชาติสูรนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน คือในขณะที่ท่านเป็นราชกุ ม, มารในขณะที่ท่านเป็นพระสงฆ์พระเทวทัตเองก็มีความรู้สึกว่ามีคนเป็นเหนือกว่าท่านท่านจะเกิดริษยามีคนเป็นระดับเดียวกวับท่านท่านจะเกิดแข็งดีมีคนที่เป็นต่ำกว่าท่านท่านก็ดูถูกดูหมิ่นคนแนั้นแต่ว่าพระเทวทัตนั้นมุ่งไปที่ความเป็นซึ่ง ตัวเองมีความคิดริษยะในสุดจนวางแผนไปคิดฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อแย่งความเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าช่าศัตรูเองก็มีลักษณะอย่างนั้นที่จริงในวังมาก็ต่ก็รองจากข้อจากแม่ของท่านนะแปลว่าความอยู่ในอันดับสามภายในวังแต่เพราะตันหาวประธานมีแรงผักดันมากเกินไป ก็มีคิดว่าพระราชบิดาที่บงคดไปแล้วทรัพย์สมบัติก็จะเป็นเราเป็นของเราเองใจก็ข้ามไว้เป็นอยู่ตันหามันก็คว้ามาว่าเป็นของเราเป็นลักษณะเอาเป็นของเราก่อนเวลาที่ควรแน่นอนเป็นของเราจริงๆแต่ว่าเราไปดึงเอามาก่อนเวลาที่เหมาะสที่ควรทํานองใกล้ๆกับผลไม้ในสวนของเรา มันยังไม่สุกแต่วความโลภี่เกิดขึ้นมากความหลงจะเกิดขึ้นมากทำให้คนก็รีบสอยต้นไม้เหล่านั้นผลไม้เหล่านั้นออกมาลงมาแน่นอนก็คงใช้ได้ในระดับใดระดับหนึ่งแต่ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้มันลักษณะ ข, ของความคิดในแนวนี้ พอท่านคิดเรื่อยไปพิจารณาเรื่อยไปดูเห็นนา ม, มารูปเรื่อยไปเรจะเดินไปถึงชาานที่เราเรียกว่าวิปัสนาฌานคือฌานที่นับเนื่องขณะวิปัสนามองเห็นสิ่งทั้งหลายตกอยู่ในกฎของความจริงตามประจริลักไม่ว่าความเป็นของเราหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเรา จริงเราด้านโอกก็จริงแล้วก็ตกอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาของเขาปัญญาที่รู้ท่าทันตามความเป็นจริงนี้ก็จะช่วยลดละบันเทาสงบประงับจนถึงดับไปแต่เวลาดับนั้นจะไปดับที่ตัวเขตุดับที่ตัวตัญหาตาวตัวอุปาทาน ซึ่งไม่ได้เกิดอหังการคือความเป็นเราและมมังกรารคือความเป็นของเรา้ น, นการปฏิบัติธรรมะ้วยมุมมองใดมุมหนึ่งก็าตามเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาจะกระเทือนถึงกันทั้งระบบของเขาบางครั้งบางคราวจะมีการพูดถึงปัจจัยาการหรือปฏิจจสมุปบาทที่เป็นขนาจิต ที่จริงเ็ก็เป็นได้ในขณะจิตแต่ว่าจริงๆในหลักที่ทรงแสดงไว้ซึ่งท่องทรงจำมันแพร่หลายนั้นเป็นการแสดงคร่อมชาติแต่ในขณะเดียวกันก็คร่อมปีคร่อมเดือนคร่อมวันคร่อมชั่วโมงคร่อมวินาทีคร่อมวินาทีได้ด้วยอา ก, การของกิเลส ปรากฏในขณะปัจจุบันได้เชื่อมโยงกับปัจจัยในอดีตแล้วก็พร้อมที่จะสร้างเอ็ดปัจจัยในอนาคตถ้าตัวกิเลสยังไม่ถูกทำลายไปมาการมองการศึกษาพิจารณาจนเห็นความเกิดดับของนามรูปตามความเป็นจริงเอาเฉพาะในแง่ของปริญญากิจมันก็เกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า วิปั ส, สนาญาณขึ้นในตอนแรกเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาประถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นเป็นปรีชาญาณอย่างรู้ถึงความเกิดซึ่งสืบเนื่องมาจากเหตุปัจจัยก็แล้แต่เราจะตัดตรงไหนอย่างที่เคยยกตัวอย่างไว้ในตอนต้นว่า การศึกษาในแนวนี้มันเหมือนกับเราตัดวายซึ่งยาวๆอยู่ในป่ามันตัดตรงไหนก็ได้เราจะตัดที่โคนแล้วก็สาวไปสุดปลายก็ได้จับปลายก็สาวดึงมาแล้วตัดที่โคนก็ได้หรือจับปลายแล้วก็ดึงมาตัดตรงกลางก็ได้หรือว่าจับที่โคนแล้วก็ดึงมาถึงตรงกลางแล้วก็ตัดก็ได้แสดงว่าทาได้ถึง4ี่วิธี ว่าไ ร, ระสังเกตได้ว่ากิเลสนั้นมีอยู่สองช่วงช่วงแรกก็คือช่วงอวิชชาช่วงที่สองก็คือตัณหาเก อ, อุป่าทานในปัจจัยการมันก็มีกิเลสจุดสามขอ้อเวลาแสดงลักษณะของนิพพาหนหรือของพระหันทั้งหลายพระเจ้าเองก็ทรงใช้คำให้เหมือนกัน บางครั้งก็ใช้คำว่าอาสเบหิติตานิพุจึิงสูติจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ถึงมั่นหรืออุปาทานให้ลองสังเกตนะว่ากิเลตนั้นเขาถึงกันเดี๋ยวไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกๆตัวที่จริงจิตนั้นหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายแต่ปรากฏว่าจิตไม่ยึดถือด้วยอำนาจของอุปาทานรู้แล้วคล้ายๆคนละเรื่อง จิตมันหลุดจากอาสวะทําไมไม่ไปยึดถือโดยอำนาจของอุปาทานแต่ในแง่ความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างเดียวกันลักษณะของอาสวะนั้นคือจิตที่หมักหมมอยู่ภายในใจเมื่อจิตฟูขึ้นใจก็กําหนดอารมณ์หรือจิตคือกาหนดอารมณ์เป็นของเราเป็นเราเมื่อกลายเป็นอุปาทานแล้วก็อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็กลายเป็นตัณหาที่จริงก็คือมาจากอาสวะนั่นเอง วันในการลดละบรรเทาดยการศึกษาด้วยการพิจารณาจนถึงจุดหนึ่งคือลดละลงไปได้บุคคลก็จะเกิดความเข้าใจว่าสังสารทุกข์ทั้งหลายที่พรเจ้าทรงแสดงไว้นั้นถ้าเราตัดเหตุของความทุกข์ลงไปได้แม้ในแต่ละขณะผลคือความทุกข์ก็จะไม่บังเกิดขึ้น าการปฏิบัติลดละบางครั้งก็ส่งสอนระดับที่เรียกว่า ท, ทางกาปะหานคืละด้วยองค์เหล่านั้นด้วยอารมณ์ต่านนั้นกิเลสก็จะน้อยลงไปแต่รรมาก็จะเพิ่มขึ้นความทุกข์ก็จะน้อยลงไปความสุขก็จะเพิ่มขึ้นจันทาอุตสาหะในธรรมะปฏิบัติก็จะบังเกิดติดตามมาแน่นอนการกระทำที่ให้เกิดผลเหล่านี้ เป็นเรื่องของความเพียรพยายามที่จะต้องทำให้มากกระทำปอ่อยกระทำจนเป็นฐานเป็นที่ตั้งของใจเึ่งเมื่อทำไปแล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติต่อแต่นั้นต่อแต่นี้ไปพอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป